หการบอกเคลือนสิกขาด้วยการใช้คำรำพึง14บทวงเล็บหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้กระสันไม่ยินดีปรารถนาจะศึกอึดอัดเบื่อนายรังเกียจเพศภิกษุปรารถนาจะเป็นคฤหอขัดปรารถนาจะเป็นอุบาสกปรารถนาจะเป็นคนวัดปรารถนาจะเป็นสมมเนนปรารถนาจะเป็นเดรัจฐิปรารถนาจะเป็นสาวกเดรัจฐิปรารถนาจะไม่เป็นสมณะนะ ปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยะบุตรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนเนอข้าพเจ้าพึงบอกเึินพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้แต่ไม่เป็นการบอกเคินสิกขาวงเล็บสองอีกประการหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยกระสันไม่ยินดีปรารถนาจะสึกุดอัดเบื่อนายรังเกียจเพศภิกษุปรารถนาจะเป็นครือขัดปรารถนาจะ ไม่เป็นเชื้สายพระสกิรยบุตรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉนัยนอเขาพเจ้าพึงบอกคืนพระธรรมวงเล็บสามบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉนัยนอเขาพเจ้าพึงบอกเคืนพระสงฆ์วงเล็บสี่บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉนัยนอเขาพเจ้าพึงบอกคืองศีขาวงเล็บห้าบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉนัยนอเขาพเจ้าพึงบอกคืองพระวินัยวงเล็บหบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉนัยนอเขาพเจ้าพึงบอกคืองพระปาติโมกวงเล็บเจ็ดบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า ฉนัยนาะข้าพเจ้าพึงบอกคืนอุเทศวงเล็บ8บอกให้พูนรู้ว่าชนัยเนาข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอุปัชาวงเล็บ9บอกให้พูนรู้ว่าชนัยเนาข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอาจารย์วงเล็บ10บอกให้พูนรู้ว่าชนัยเนาข้าพเจ้าพึงบอกคืนสัตธิวิหาริกวงเล็บ11บอกให้พูนรู้ว่าชนัยนอะข้าพเจ้าพึงบอกคืนอันเตวาสิกวงเล็บ12บอกให้พูนรู้ว่าชนัยนอะข้าพเจ้าพึงบอกคืน ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌาย์วงเล็บสิบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉ น, านัยนาะเข้าพเจ้าพึงบอกคืนภิกษุผู้ร่วมอาจารย์วงเล็บสิบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉ น, านัหนาะเข้าพเจ้าพึงบอกคืนเพื่อนพรหมจารีภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้แต่ไม่เป็นการบอกคืนสิกขา